แถวอำเภอบ้านผมเขานับญาติกันกว้างขวางเพื่อนของพ่อที่สนิทกันเราก็นับญาติเรียกว่าอาหรือลุงรุ่นปู่ก็คงรักใคร่นับญาติกันมาอย่างนั้นไปไปมามาเราก็รู้สึกว่ามีญาติอยู่ทั่วไปคุยไปคุยมากับใครสักพักเดียวอาจจะพบว่าเป็นญาติห่างๆกันปู่อ่ำเป็นญาติห่างๆของผมแต่จะห่างแค่ไหนก็ไม่เคยสืบถามประวัติเพื่อนดีเป็นเสมือนญาติเว้ยปู่อ่าเคยพูด เวลาผมถามว่าแกเป็นอะไรกับปู่แท้ๆของผมพ่อเล่าว่าปู่อ่ำโตมาพร้อมกับปู่บวชพร้อมกันและยังมีนิสัยคล้ายกันด้วยแถวริมน้ำป่าศัก์สระบุรีบ้านผมดังเดิมเขาว่าเป็นคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยรัชกาลที่สามชาวบ้านรุ่นทวดที่อพยพมาพร้อมๆกันจึงรักใคร่นับญาติกันหมดประเพณีหลายอย่างที่นี่ก็มีอิทธิพลของลาวอยู่มากเวลามีงานต่างๆ มหอระศก์ที่นิยมกันก็มีหมอลำแทนที่จะมีลิเกเหมือนแถบอยุธยาทั้งทั้งที่จังหวัดก็อยู่ติดกันแท้ๆบ้านของปู่อ่ํานั้นอยู่บ้านหาดสองแคว ร, ริมแม่น้ําป่าศักชาวบ้านแถบนั้นทําอาชีพทําไร่ทํานาเป็นพื้นหลายปีก่อนถนนจะตัดผ่านหมู่บ้านแถบนี้ติดต่อกับตัวจังหวัดได้อย่างเดียวคือทางเรือหมู่บ้านริมแม่น้ําแถบนี้เป็นชุมชนที่เดิมเป็นคนลาวทั้งนั้นตั้งแต่บ้านท่าศาลา หาดสองแควสแสลงพันเรื่อยไปจนถึงลำสนธิชัยบาดาลโน่นเมียปู่อ่ำชื่อว่าย่ายอดย่ายอดเป็นเพื่อนรักกับย่าแท้ๆของผมเข้าอีกดังนั้นปู่อ่ำแล้วก็ย่ายอดจึงรักผมเหมือนลูกหลานลูกๆของปู่อ่ำก็เลยเรียกน้ากันทุกคน บ้านผมอยู่ในตัวอำเภอผมผิดกับเด็กบ้า น, นอกรุ่นเดียวกันแทนที่จะเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแต่พ่อแม่ส่งไปเรียนที่กรุงเทพผมจึงได้อยู่กับคุณยายที่บ้านแถวฝั่งทนตอนปิดภาคเรียนหรือบางทีเสา ร, ร์อาทิตย์โรงเรียนปิดก็มาเยี่ยมบ้านเกิดสัทีหนึง่งเวลากลับมาบ้านผมชอบไปหาปู่อ่ากับย่ายอดที่บ้านที่หาดสองแควบ้านของปู่อ่าใต้ถุนสูงเปิดโล่งลมพัดเย็น ด้านหลังมองเห็นทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาที่สำคัญคือสำหรับเด็กๆอย่างผมตอนนั้นบ้านทุ่งของปู่อ่ำมีอะไรสนุกสนุกทำมากกว่าอยู่ในตัวอำเภอย่ายอดเดินไม่ได้มาหลายปีทั้งๆ ท, ที่อายุก็แค่เจกว่ากว่าๆเท่านั้นหมอที่จังหวัดเขาบอกว่าเป็นอมมาพลึกหรืออมมาพาดผมจำได้ไม่ค่อยถนัดจำได้ว่าเวลายายอดจะไปไหนลูกหลานต้องพยุงปีกกันไป แต่ร่างกายส่วนอื่นๆยังคงแข็งแรงอยู่กลางวันนั่งเย็บผ้าบ้างเย็บที่นอนยัดนุ่นให้ลูกให้หลานบ้างไม่ยอมอยู่ว่างย่ายอดไม่ต้องใส่แว่นตาเวลาเย็บผ้าเหมือนคนแก่ทั่วไปย่ายอดหนี่ตามันกลับสนเข็มได้ยังกับสาวๆปู่อ่ําชอบพูดพร้อมกับหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเวลามีคนพูดถึงเรื่องของย่ายอดส่วนข้าน่ะตามันแก่ก่อนตัวปู่อ่ํำมีลูกสองคน นายยศเป็นลูกชายคนโตไปทหารสลายปีครั้นกลับออกมาจากทหารก็มาทำนาที่บ้านเมีนยนายยศเป็นคนบ้านท่าสบดชื่อพัดนพัชเป็นคนใจดีและมักตามใจผมแต่เป็นคนปากร้ายไม่ชอบใจใครเป็นว่าเอาตรงๆลูกคนที่สองของปู่อ่ำก็คือนทูล น, นทูล น, นี่ชอบมีเรื่องสนุกมาเล่าให้ผมฟังเสมอเพราะว่าเป็นคนนิยมสุรามีเพื่อนฝูงมากบางทีก็เก็บชมพู่ เก็บมะม่วงหรือผลไม้สวนที่ขึ้นอยู่รอบบริเวณบ้านมาให้ผมกินถึงหน้าเล่นว่าวณทูลเอาไม้ไผ่มาเหล่าว่าวให้ผมว่าวของผมนั้นจึงมักตัวโ ต, วตวสวยกว่าของเด็กทั่วไปที่ซื้อจากในตลาดณทูลเป็นช่างไม้รับจ้างทั่วไปอาศัยที่ฝีมือดีจึงมีคนจ้างไม่ขาดมือณทูลปลูกเรือนอยู่บริเวณเดียวกันกับปู่อ่ําแล้วก็นายยศณพัทไม่ค่อยชอบณทูลเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องเถียงกันอยู่ บ, บ่อยๆ นายยศบอกว่านทูลกินเหล้าแล้วก็ชอบด่าพี่สะพายฝ่ายนาทูลก็ว่านพัดปากจัดไอ้ทูล น, นะเหรอมันเอาแต่กินเหล้าอย่างนี้คงไม่มีใครเขาอยากเป็นเมียมันหรอกน้พัดพูดข้ากินเหล้าก็ไม่ได้หนักกระบาลใครเว้ยเองอย่าเสือกข้าอยู่ของข้าคนเดียวสบายดีจะได้ไม่ต้องมีเมียปากหมาเหมือนพี่ยศไงน้าทูลโตเอาบ้าง บางทีก็ทําท่าจะบานปลายจนนายยศหรือปู่อ่ําต้องห้ามปรามไว้จึงค่อยสงบลงณทุนเป็นคนหัวดีนายยศเล่าให้ฟังว่าตอนจบมัธยมที่โรงเรียนในตัวอําเภอแกสอบได้ที่หนึ่งแต่ก็ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำนานาเองก็อยากเรียนสูงๆเหมือนเองเหรอวะแต่ว่าพ่อกับแม่แกก็ไม่ได้ทรงอ้างว่าเรียนไปทําไมเปลืองเงินเปื้องทองไรนาของเราก็มีเยอะแยะใครจะดูแลณทุนแอบกระซิบกับผม ปู่อ่าเป็นคนมีระดับมีอันจะ ก, กินของตําบลแต่มีชื่อเสียงทางด้านของการขี้เหนียวเวลาปู่อ่ำาข า, ายข้าวโพดขายข้าวได้เท่าไหร่ก็เก็บหมดบ้านช่องก็ปล่อยให้เก่าอยู่อย่างนั้นน้ําฝนร่วลงมาเวลาฝนตกเมื่อไหร่ก็ซ่อมกันคราวนึงนทูนก็ทนดูไม่ไหวพอว่างานรับจ้างก็มาช่วยซ่อมแซมให้แต่ว่าปู่อ่ําชอบเรื่องทําบุญใครมาบอกบุญเรียอะไรอะไรเป็นช่วยเขาหมด ว่ากันว่าศาลาใหญ่ที่วัดข้างบ้านปู่อ่าเป็นผู้บริจากรายใหญ่เพราะว่าหลวงตามิ่งสมพานที่วัดเป็นเพื่อนกันกับปู่อ่าว่างจากงานนาปู่อ่ําก็เป็นหายไปอยู่ในวัดคราวละนานๆไม่ได้ไปถือศีลกินเพนกับเขาดอกไอตาอ่ําเนี่ยมันไปเล่นหมากรุกที่ศาลาวัดนะ่ยะยายยอดบอกอย่างนี้เวลาใครไปถามว่าปู่อ่าไปรักษาศีลที่วัดตั้งแต่เมื่อไหร่บ้านปู่อ่ํามีตุ๊กแกอยู่ตัวหนึ่ง ที่ผมจำได้แม่นเพราะว่าผมเนี่ยทั้งเกลียดแล้วก็กลัวตุ๊กแกตอนกลางคืนตุ๊กแกตัวนี้จะออกมาเกาะอยู่ที่เสาบ้านเพื่อหากินมแมลงเมา่าและมแมลงตัวเล็ ก, ลกๆที่มาเล่นแสงไฟตะเกียงส่วนกลางวันมันจะเข้าไปหลบบนข้างฝาในห้องนอนปู่อ่ําผมจึงไม่อยากเข้าไปเล่นในห้องนอนปูอ่ําตอนกลางวันบางทีผมเคยเห็นปูอ่ำเอาตัวมแมลงให้มันกินปู่เลี้ยงไว้เหรอครับผมเคยถามไม่ได้เลี้ยงก็เหมือนเลี้ยงหรอวะ มันอยู่ที่บ้านมาตั้งหลายปีตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เลยคุ้นเคยกันปู่อ่ำพูดโบราณเขาบอกว่าบ้านใครมีตุ๊กแกน่ะดีทำให้มีโชคมีลาบแต่ผมว่าตัวมันน่าเกลียดมากมีลายสีน้ำตาลปนเหลืองตัวก็ใหญ่กว่าตุ๊กแกที่ผมเคยเห็นบางทีมันอ้าปากกว้างจนเห็นลิ้นสีแดง ยายของผมเองเคยบอกว่าตุ๊กแกเกาะใครเขาแล้วต้องกินขี้เจ็ดชามกินน้ำเจ็ดตุ่มมันถึงจะยอมปล่อยเสียงร้องของตุ๊กแกในตอนกลางคืนนี้น่ากลัวมากย่ายอดบอกว่ามันร้องว่าตับแกตับแกเพราะมันเรียกงูเขียวให้มากินตับมันเขาว่าตุ๊กแกเวลาแก่มากตับโตมันก็อึดอัดต้องให้งูเขียวเนี่ยล้วงคอเข้าไปกินตับตุ๊กแกที่บ้านปู่อ่ําคุน้นกันกับคน เวลาปู่อ่ำไปข้างนอกกลับมาถึงบ้านถ้ามันเกาะอยู่ที่โคนเสามันจะวิ่งปราดขึ้นไปบนเพดานหน้าห้องตรงที่ปู่อ่ำจะเดินผ่านถ้าผมเดินมาด้วยผมต้องแอบหลบอยู่ข้างหลังปูอ่อ่ำกลัวมันจะโดดมาเกาะบรรดาคนที่นับญาติกันกับผมที่บ้านหาดสองแควปู่อ่ำให้ความรักกับผมเป็นพิเศษเวลาไปที่บ้านปูอ่อ่ำผมมักจะได้อะไรๆจากปู่อ่าเสมอบางทีก็เป็นของเล่นที่แกแอบซื้อจากตลาด เห็นจะเป Calvin, like totally ็นเพราะว่าแกรักพ่อผมเหมือนลูกก็เลยรักผมเสมือนหลานแท้ๆตาอ่ำเนี่ยมันรักหลานกับคนอื่นเนี่ยมันจะขี้เหนียวอู้เรียกว่าขี้เหนียวสุดๆเลยล่ะย่ายอดเคยกระเซ้าไอ้หนูหลานข้ามันเรียนกรุงเทพโตขึ้นเนี่ยมันต้องได้ทํางานดีเป็นเจ้าคนนายคนปู่อ่ําชอบอวดกับชาวบ้านแกเรียกผมว่าไอ้หนูจนชินปากจนผมเข้ามัธยมศึกษาตอนปลายกําลังจะเข้าสอบเ n นทรานซ์ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยพาเพื่อนไปเที่ยวแกยังเรียกผมว่าไอ้หนูมีใหญ่ที่ผมจะแอบห้ามแกหลายหนใครจะเรียกยังไงปู่ไม่รู้หรอกแต่เองกลับมาเองก็ต้องเป็นไอ้หนูของปู่ปู่อ่ำว่าระหว่างทางจากบ้านปู่อ่ำไปวัดมีสารใหญ่อยู่คนต้นทรชาวบ้านลือกันว่าผีดุนักกลางคืนถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่มีใครกล้าเดินผ่าน บริเวณสารไม้เก่าๆจะมีพวงมาลัยแห้งช้างม้าตัวเล็กๆและตุ๊ ก, กตาแปลกๆวางอยู่และเกะระกะส่วนมากหักกองอยู่บนพื้นดินข้างๆสารยิ่งตะปุ่นขี้เมาประจำหมู่บ้านมาผูกคอตายที่กิ่งไทร ย, ยิ่งทำให้ชาวบ้านกลัวกันมากขึ้นหลายคนเคยเห็นตะปุ่นเดินไปเดินมาที่สารอยู่ตอนดึกๆ มีแต่พวกเด็กๆรุ่นผมที่กำลังขนองไม่ค่อยกลัวกันนักแม้ตอนกลางคืนจะรู้สึกกลัวกล้าๆแต่ถ้ากลางวันแล้วล่ะก็ไม่เป็นกลัวอะไรทั้งนั้นห่วงแต่การเล่นสนุกซะมากกว่าตอนผมเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกผมได้รับจดหมายจากทางบ้านว่าปู่อ่ำเป็นลมปัจจุบันตายผมจึงรีบเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดกว่าจะไปถึงก็บ่ายโขเขากาหนดจะเผาปู่อ่าในวันรุ่งขึ้น คืนนั้นรู้ว่าเขาตั้งศพอยู่บนศาลาสวดเป็นคืนสุดท้ายเลยจะไปฟังสวดถือโอกาสให้ย่ายอดแล้วก็ญาติญาติเขาเห็นหน้าซะด้วยตอนนั้นถนนจากตัวอำเภอไปหาดสองแควรสร้างเสร็จแล้วนั่งรถไปไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงต่างกับตอนผมเป็นนักเรียนลงเรือเกือบสามชั่วโมงกว่าจะถึงวันนั้นผมมัวโอเอที่บ้านในตัวอำเภอสะนานกว่าจะอาบน้าแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก็มืดค่า แม่บอกว่าให้ผมไปฟังสวดศพคนเดียวเธอเพราะว่าแม่ไปฟังสวดมาหลายคืนพรุ่งนี้จะไปเผาทีเดียวผมก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์คันเก่าของพ่อไปวันนั้นฝนตกโปรยกว่าจะถึงหมู่บ้านปู่อ่ำก็เกือบสองทุ่มบ้านทั้งสองหลังมืดสนิทณนะทุนแลนะณยศคงไปอยู่กันที่วัดหมดหมาสองสาตัวที่บ้านหอนทักทายโหยหวนผมชักวันวันกลัวเจอปู่อ่ามารอรับฝนเจ้ากรรมก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้น ผมรีบบึงไปที่วัดผ่านหน้าสารเก่าริมทางที่เคยมาวิ่งเล่นซึ่งเมื่อก่อนตรงสารนี้จะดูรกครึ้มวังเวงชอบกลผมบิดคันเร่งซะเกือบสุดไม่กล้ามองไปทางต้นไทรกลัวเห็นตะปุ่นเดินอยู่ตอนนั้นถนนจากตัวอำเภอเลียบแม่น้ำป่าสากักพึงจะสร้างเสร็จใหม่ๆไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงหมู่บ้านแถวนั้นผมไปถึงวัดฝนก็เริ่มลงหนักฟ้าแลบแบบแบบแลบลาบแลเห็นสาลาวัดที่ตั้งศพช่างดูวังเวงใจนัก ชาวบ้านหลายคนกำลังทยอยลงจากศาลาคงเพิ่งเสร็จพิธีสวดศพผมถอดรองเท้าไว้ข้างล่างก่อนเดินขึ้นศาลาทักทายคนรู้จักที่เดินสวนลงมาแล้วก็ขึ้นไปไหว้ศพตามธรรมเนียมย่ายอดนั่งอยู่บนเสือแถวหน้าดูแก่ไปกว่าที่พบกันคราวก่อนมากผมตรงเข้าไปไหว้ย่ายอดดูแกดีใจที่ได้เห็นผมผมยกมือไหว้ทักทายหน้านาทั้งหลายก่อนจะเข้าไปจุดธูปไหว้ศพหลวงตามิ่งกับพระที่มาสวดยังไม่กลับ ซึ่งเป็นธรรมเนียมแถบนั้นที่พระจะรอให้แขกส่วนใหญ่กลับซะก่อนเพราะกุฏิพระก็อยู่ในวัดตรงท่ามฝั่งสนามกับสลาวัดนั่นเองพระจึงถือว่าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพก่อนไม่ต้องรีบกลับเพราะว่าอยู่ใกล้แค่นั้นตอนนั้นยังมีคนอยู่บนสลาอีกหลายคนส่วนมากก็พวกญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆพนณทูลกับณยศเห็นกําลังรอให้ฝนหายก่อนอยังมีพวกวงไฮโลที่กําลังจับกลุ่มดื่มกันอยู่อีกมุมนึงเดี๋ยวดึกกว่านี้อีกหน่อยก็คงจะตั้งวงพนัน ทางชนบทนี่คิดว่าวงไฮโลกับหมากรุกเนี่ยถือว่าเป็นพวกที่อยู่เป็นเพื่อนกับศพงานอย่างนี้สมัยก่อนทางบ้านเมืองเขาไม่ว่ากันบางทีจากตารวจที่มาดูแลงานก็ปลอยเล่นฆ่าเวลาซะด้วยพวกนักเลงไฮโลที่จริงก็หน้าเดิมๆทั้งนั้นตระเวนไปอาศัยเล่นตำงานศพพวกนี้เล่นได้เสียกันหนักๆผมนั่งใกล้ๆย่ายอดคุยกันสักครู่หนึ่งคุยไปก็คิดถึงปู่อ่ําไปย่ายอดบอกว่าไม่น่ามาด่วนจากกันไปก่อน พูดไปก็เขียวหมากไปตาสีน้ำข้าวคลอไปด้วยน้ำใสๆสักพักใหญ่ฝนก็กระดนาลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเสียงสายฝนที่ตกกระทบหลังคาสังกษีดังจนคุยกันแทบไม่รู้เรื่องพวกที่นั่งอยู่ริมด้านนอกถูกฝนสาดก็พากันกระจุกตัวกันอยู่กลางศาลาทัานใดนั้นเองอย่างไม่มีใครคาดคิดมีตุ๊กแกตัวใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากชายคาด้านข้างศาลา ผ่ากลางวงที่พวกญาติญาติแล้วก็เพื่อนนทูนนั่งอยู่มันปราดขึ้นไปเกาะอยู่บนโต๊ะบูชาหน้าลงศพเสียงพวกผู้หญิงวีดร้องอย่างตกใจผมขนลุกสู้จําแม่นวัตถุกแกตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่บ้านของปูอ่อ่ําไม่ว่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่กวัตถกแกทั่วไปหรือลายสีน้ําตาลปนเหลืองมันอ้าปากแลบลิ้นเห็นลิ้นสีแดงๆอย่างที่เคยเห็น นายยศลุกขึ้นความไม่กวาดจากมุมศาลาเอาด้ามไม่กวาดเขี่ยไล่ให้มันวิ่งลงจากโต๊ะหมู่ตัวนั้นแต่มันกลับวิ่งขึ้นไปเกาะบนผ้าขาวที่คลุมลงศพปู่อำ่ำทั้งอย่างอ้าปากเหมือนกับจะขู่ลายหน้าเกลียดของมันตัดกับผ้าขาวยิ่งทาให้มองเห็นได้ชัดขึ้นผมไม่เคยลืมภาพตุ๊กแกตัวใหญ่ชูหัวขู่ฟอ่อบนผ้าคลุมลงศพที่ตั้งเด่นอยู่กลางศาลาในคืนนั้น เป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงเหลือจะบรรยายนายศตามไปเขีย่ยมันตกปุลงมาอยู่บนพื้นศาลาแทนที่มันจะวิ่งหนีไปให้พ้นไอ้ตุ๊กแกเจ้ากรรมตัวนั้นกลับพุ่งปราดขึ้นไปบนเสาที่แขวนตะเกียงเจ้าพายุตาจ้องลงมาทางนายศขู่ฟ้อฟ้ออย่างโกรธจัดผมเห็นนายศ ย, ยกด้ามไม่กวาดยาวในมือหุ่ตุ๊กแกนั่นเต็มกาลังเพราะบันดาลโทสะด้ามไม่กวาดพลาดเป้าไปถูกโปะตะเกียงเจ้าพายุ ตะเกียงทั้งลูกหลุดจากที่แขวนตกลงบนพื้นกระดานโครมใหญ่ไฟดับพรึบลงเสียงคนหวีดร้องลั่นบนศาลาเหลือแต่แสงวอมแวมของเทียนตรงที่บูชาศพกับตะเกียงแก้วเล็กๆที่คนมาไหว้ศพใช้จุดทูปความโกลาหลเกิดขึ้นตอนนี้นี่เองย่ายอดลุกพรวดพลาดขึ้นอย่างไม่มีปีมีขุยจ้องมองมาทางผมแล้วตะโกน ล, ลั่นศาลาไอ้หนูมันมางานกูขอบใจไอ้หลาน ย่ายอดจับแขนผมแล้วหันหน้าไปทางอาสนะพระที่หลวงตรมิ่งกับพระลูกวัดอีกสามรูปนั่งผมตกใจหันไปดูทางนายศเห็นแก่อ้าปากค้างนะทูลพงษ์หงายไปข้างหลังอย่างตกใจเต็มที่ขอโทษท่านมิ่งด้วยที่ทำให้ท่านตกใจย่ายอดว่าปากเคี้ยวหมากไม่ยอมหยุดขอเข้ามาเดี๋ยวเดียวจะสั่งอะไรลูกหลานหน่อยท่านมิงไม่ว่ากันนะย่ายอดเดินไปทางหีบศพที่มีดอกไม้และที่บูชา กลิ่นควันธูปตลบเสียงหมาในวัดหอนรับแม่นั่งลงเดี๋ยวล้มมาจะลำบากณทูลว่าทลันเข้าไปจูมือย่ายอดไอ้ทูนจำพ่อไม่ได้เหรอเนี่ยพ่อเองเมาอีกลวสิท่าย่ายอดเท้าเอวท่าทางขึงขังสะบัดมือออกจากณทูลยกมือขึ้นชี้หน้าเสียงหมาในวัดหอนขึ้นอีกลมจากนอกสาลากระโชกเข้ามาอย่างแรงขณะนั้นฝนซาเม็ดลงแล้ว เทียนเล่มโตหน้าที่บูชาศพรีวูบตามแรงลมหลวงตามิ่งลุกจากอาสนะเดินมาใกล้กับยายอดกับณทูลพวกญาติญาติแตกฮือไปอยู่มุมศาลาส่วนพวกที่ใจกล้าหน่อยก็เริ่มเข้ามามุงเสียงนพัทเมียณยศร้องให้โฮใหญ่พระอีกสามรูปมองหน้ากันเลิกลักพ่ออำ่ำมีอะไรรึหลวงตามิ่งพูดด้วยเสียงเครือยายอดยกมือไหว้หลวงตามิง่งท่าทางเป็นปู่อ่าชั ด, ชด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกลัวหรือว่าตาฝาด ต, ตอนฟ้าแลบแล บ, แ บ, แบเห็นปู่อ่ำรังยืนอยู่ข้างหลังย่ายอดผมกลัวแทบสิ้นสติเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรหายสงสัยว่าทำไมย่ายอดที่เคยเดินไม่ได้ถึงลุกขึ้นเดินปอไม่ทันได้สั่งเสียลูกหลานก็เลยจะขอเวลาหน่อยอยู่นานไม่ได้ย่ายอดพูดฮวุนแต่กลับเป็นเสียงปู่อ่าได้ยินกันถนัดทั้งศาลาวัดย่ายอดหันกลับมาทางนายศ ลูกเอ้ยล้านเอ้ยถึงเวลาของพ่อแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพ่อพ่อไปสบายเสียงปู่อ่ําชัดๆย่ายอดก้มลงบ้วนน้าหมากลงกระถนตรงหน้าผมแลเห็นปู่อ่ําที่อยู่หลังย่ายอดก้มลงด้วยกันไอ้ยศที่นาติดวัดสามไร่นะโฉนดอยู่ในตู้เล็กกลายเตียงพ่อจัดการยกให้วัดซะนะส่วนที่อื่นๆที่เหลือเนี่ยแบ่งกันให้มันยุติธรรมพี่น้องอย่าทะเลาะกันขายขี้หน้าเขา ย่ายอดพูดเสียงกร้าวดูแลแม่เองให้ดีเดือนสามหน้าแม่เองเขาจะลาไปอยู่กับพ่อย่ายอดเดินพรวดถึงตัวณทูนที่นั่งอยู่กับผมตอนนี้ผมแลเห็นปู่อ่ำชัดเป็นร่างใสๆราวกับสามารถมองทะลุได้อยู่ติดกับย่ายอดปู่อ่ำสวมเสื้อคลอกลมสีขาวหวีผมเรียบไอทูนเลิกเล่าได้ไหมพ่อขอละ ว, วะเองมันเมาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา ผมหันไปดูเห็นหนทูนยืนยกมือไหว้พูดอะไรไม่ออกเสียงอึกอักอยู่ในลําคอไม่รู้ว่านาทูนเห็นปู่อ่ําด้วยหรือไม่ย่ายอดหันไปทางนาพัทแสงฟ้าแลบมาอีกแปรบหนึง่งเห็นตาวาวนั่งพัทอย่าทะเลาะ ก, กับไอ้ทูนมันมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันผมได้ยินเสียงนพัทปล่อยโฮอย่างสุดกลัน้นย่ายอดหันมาทางผมตาสีน้ํำข้าวเป็นประกายมือที่เหี่ยวย่นจับหัวผมเบาๆ ปู่อ่าที่ยืนติดอยู่หลังยายอดยิ้มให้ผมกลัวจนแทบจะวิ่งหนีหันไปทางคนอื่นๆถ้าทางเขามองไม่เห็นปู่อ่าอย่างที่ผมเห็นไอ้หนูเอ้ยขอบใจที่คิดถึงปู่ย่ายอดพูดผมผุดลุกขึ้นด้วยความตกใจยายอดเอื้อมมือมากดหัวไหล่ผมไว้มือกะเย็นเฉียบผมแทบสิ้นสติไปตรงนั้นเพราะว่าเห็นร่างปู่อ่าชะโงกมาใกล้ผมเสียงพูดเบาลงแต่ยังได้ยินทั่วกัน พระของปูนะ่น่ะอยู่ตรงหัวเสาในห้องนอนปู่ให้เองนะรักษาไว้ให้ดีๆละ่ะจะได้คุ้มครองตัวได้ปู่ไปแล้วนะยายอดหันไปทางสมพานมิงยกมือไหว่อย่างนอบน้อมผมเห็นร่างโปร่งใสของปู่อ่ำยกมือไหว่อยู่ด้านหลังท่านมิงผมลาละตาอำ่ตอำตาอ่ำหวยออกอะไรพวกอยู่ในวงไฮโลขนองปากตะกนจากแถวหลัง น้ำเสียงอ้อแอจากดีกรีเล่าโรงย่ายอดชี้หน้าตะโกนไอ้แก้วมึงนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะกินเหล้าในวัดในว่างานกูมึงก็ไม่ละเว้นเมื่อวานมึงก็แอบลักของที่เท่าแก่เนี้ยในตลาดเขาเอามาทำบุญถวายพระกูเห็นนะไอ้นรกกินหัวเสียงพักพวกในแก้วเสียงเฮโลเฮลันตอนนี้ผมเริ่มใจกล้าขึ้นบ้างชักสนุก หันไปดูเห็นในแก้วหลบเข้าไปแอบหลังเพื่อนๆด้วยความอายไอ้พวกงมงายเห็นอะไรก็ตีเป็นเหล็กเป็นเบอร์ผีมันไม่รู้หัวยหรอกว้ยพวกมึงนะ่คอเล่าด้วยกันไปถามไอ้ปุ่นที่ต้นไซนูน่นเมื่อวานมันบ่นกับกูอยู่ว่าหิวซื้ออะไรไปเส้นมันด้วยยญายอดว่าเท่านั้นก็หลับตาเซไปข้างหลังคุณพระช่วยด้วยผมเห็นร่าง ร, า ง, ร, า, งรางของปู่อ่ากระโดดแพ้วจากด้านหลังยญายอดออกไปนอกศาลาญ้ยายอดลม้มลง นทุนได้สติเข้าไปประคองไว้ทันคืนนั้นกว่าจะแยกย้ายกันกลับได้เกือบเที่ยงคืนพระเจ้าจับกลุ่มคุยกันจนดึกย่ายอดพอรู้สึกตัวก็ซุดลงกองกับพื้นเดินไม่ได้เหมือนเดิมต้องเหี่ยวกันกลับนทุนชวนผมคางทีิบ้านแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อตอนหัวค่ําทําให้ใจเสียหากผมกําลังนอนอยู่ดีๆปู่อ่ํามาอีกรอบหรือไอ้ตุ๊กแกตัวนั้นกลับตัวมาปรากฏขึ้นใหม่ผมคงตกใจตายเป็นแน่ รันจะขับรถกลับไปที่บ้านที่ตัวอำเภอคนเดียวหรือก็ดึกดื่นมากปะเหมาะปู่อ่ำซ้อนท้ายไปด้วยจะทำอย่างไรณทูลรู้ใจก็เลยอาสานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยบอกว่าจะมาค้างด้วยกันที่บ้านผมเช้าจะได้ซื้อของที่ตลาดมาเตรียมงานเผาศพซะทีเดียวบ่ายวันรุ่งขึ้นคนที่ไปงานศพปูอ่อ่ำคุยกันแต่เรื่องบนศาลาเมื่อคืนบ้างก็บอกว่าเป็นแผนการของยายอดที่จะให้นทูลเลิกเหล้า พวกที่คิดไกลกว่านั้นก็บอกว่าสมพานมิ่งร่วมวางแผนด้วยเพราะว่าปู่อ่ําเคยบอกยกที่ให้วัดแต่มาตายกระทันหันสมพานมิ่งกลัวนยศน้ทุนจะไม่ยอมยกให้นพัฒเมียนยศปักใจเชื่อสนิทว่าปู่อ่ามาสั่งเสียดูนพัฒกลัวมากกว่าใครๆตัวผมเองรู้ว่าเมื่อคืนปู่อ่ํามาจริงแต่ไม่กล้า ป, ปิปากบอกใครเพราะผมแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นปู่อ่ําอย่างที่ผมเห็นเผาศพปู่อ่าเสร็จ ณทุนไปคนห้องนอนปู่อ่ำพบชนดที่ดินอยู่ที่ตู้ปลายเตียงจริงๆตู้แกหายไปจากห้องนอนของปู่อ่ำตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบส่วนพระที่ปู่อ่ำบอกว่าอยู่หัวเสาและยกให้ผมนั้นหากันอยู่นานปรากฏว่านายจดไปพบในหอผ้าแดงซุกอยู่บนต้นเสาหัวนอนปู่อ่ำเป็นพระเครื่องรูปสี่เหลี่ยมเลี่ยมทองอย่างเก่าสวยงาม ไอ้เปงศูนย์ร้านทองเซียนพระเครื่องในตลาดขอซื้อให้ราคาแพงเห็นมันบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่พวกนักเล่นพระเขานิยมกันผมก็เลยบอกมันไปว่าไม่ขายเพราะปู่อ่ำตั้งใจให้ผมรักษาวไว้จนชีวิตจะหาไม่ไม่ถึงปีต่อมาย่ายอดก็ตายน่าแปลกที่ตรงกับเดือนสามพอดีผมไม่ได้ไปงานศพเพราะว่าติดสอบรู้ข่าวจากจดหมายทางบ้านว่าเขาทาศพย่ายอด แต่ไม่ได้ถามว่าตอนสวดศพ ย, ยอดยอดมีอะไรแปลกๆเหมือนตอนงานศพปู่อ่ำหรือไม่ณทูลเลิกเล่ามานานแล้วจากนั้นเป็นเวลาสักประมาณหนึ่งปีก็ส่งข่าวมาทางจดหมายบอกว่าจะแต่งงานกับลูกสาวกำนันแถบลำนารายโนนและจะย้ายออกไปอยู่บ้านเมียทางโน้นผมว่าจะหาโอกาสไปเยี่ยมแกสักครั้งเมียณทูลชื่ออะไรผมจาไม่ได้แต่ก็ต้องนับเป็นญาติกับผมอีกคนแถวบ้านผม เขานับญาติกันกว้างขวางอย่างนี้